ยัดโยมและก็ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเราได้มาร่วมกันบําเพ็ญภาวนาก็เป็นอีกในหนทางหนึ่งของความเจริญที่เราจะบําเพ็ญในคุณประโยชน์ให้กับตนพร้อมทั้งประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของ การบำเพ็ญภาวนาจริงๆเราก็มีกันมาทุกทุกยุคทุ ก, ท, กทุกสมัยในเรื่องของการบำเพญ็ญอย่างเช่นในบุญกิริยาวัตถุมีตั้งหลายข้อในข้อที่หนึ่งก็เรื่องของทานน้ำใหม่บุญสำเร็จ ด้วยการบริจาคทานทำไมเราจึงใช้คาว่าบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานโยมก็พิจารณาในเบื้องต้นที่เรามีชีวิตอยู่ได้มีอัตภาพอยู่ได้ดำรงตนอยู่ได้ก็อาจใส่ทาน ก็ดูว่าพอเราเริ่มเกิดก็ถูกป้อนด้วยของเหลวก่อนก็คือน้ำนมนี่ถ้าเราเราไม่มีการให้ทานในเบื้องต้นชีวิตมนุษย์และกดสัตว์ไม่สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ ฉะนั้นทานนามัยก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่พวกเราเคยได้รับอย่างน้อยก็จากผู้มีอุปการะคุณมีบิดามารดาเป็นต้นถ้าไม่มีทานวันนี้เราก็ไม่มีคงจะอดตายหนาวตาย ป่วยตายไม่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นทานน้ำใหม่จึงเป็นหลักเบื้องต้นที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดทุกคนได้รับการบริจาคทานมาแล้วและทุกคนก็ได้รับในเรื่องของทานกันมา ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็จากผู้มีอุปการะของพวกเราทุกคนจึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานโยมทราบหว่าในขณะที่เราบริจาคทานอยู่ขณะจิตนั้น เกิดเป็นกุศลยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตจึงมีความดัมริชอบอยู่ภายในหรือมีโยนิโสและตั้งตนไว้ชอบมีอัตตาสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบประกอบอยู่ด้วยธรรมมีจิตที่น้อมไปสู่ การบริจาค ก, การให้การเผื่อแพ่ความเมตตาในขณะ จ, จิตนั้นถามบรรลุได้ไหมยอย่างน้อยก็บรรลุในเบื้องต้นคือละความตรณีใครก็ตามที่บอกคุณธรรมสูงๆเนี่ยนะต้องละความตรณีได้ทุกคน ชัดเจนเลยนะถ้าคุณธรรมของใครที่จเจริญมาก mm. เขาเห็นในเรื่องของการบริจาคทานเนี่ย mm. เป็นเรื่องสิ่งที่ควรทำและเป็นเรื่องปกติ mm. กระยมดูในชีวประวัติในครั้งพุทธกาลมาอุบาสกมาอาสิกา ไม่ว่านางวิสาขาหรืออนาบินทิกะเศรษฐีเอาว่าเขาทำบุญกันจนเทวดานี่ต้องมาอนุโมทนาใหม่อยู่ไม่ไหวแล้วคนนี้บุญใหญ่จริงๆเทวดาก็เทวดาเถ้โยมต้องมาอนุโมทนาในกุศลแม้พระพุทธเจ้าเองก็อนุโมทนาใหม่ แม้พระผู้ทรงศีลทรงฌานหรือผู้มีอภิน ญ, ญาก็อนุโมทนาและโยมคิดดูท่านเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นผู้หมดจดแล้วทำไมจริงอนุโมทนากับเราก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำก็ประเสริฐยิ่งเหมือนกันสูงสุดเหมือนกันท่านจริงอนุโมทนากับเรา บุญนี้จึงใชาว่าบุญสำเร็จคำว่าสำเร็จก็คือประโยชน์ประโยชน์ที่ผู้ทำนั้นแหละจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสมเด็จพระผุ้มีพระภาคเจา้าพระองค์ท่านเคยแสดงไว้ว่าผู้ที่ให้ทานในสิ่งที่เลิศย่อมรับในสิ่งที่เลิศ ผู้ที่ให้ทานด้วยสิ่งที่ปราณีตย่อมได้รับสิ่งที่ปราณีตแต่มาไม่สงสัยเลยไม่สงสัยเลยกันดูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ล้วนแต่ให้ทานอันเลือกเฟ้นที่ดีแล้วนะแล้วบารมีของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับ สิ่งที่ประเสริฐทุกอย่างเหมือนได้เฟ้นแล้วฉะนั้นประโยชน์จึงเรียกว่าเป็นความสําเร็จในบุญฉะนั้นใครทําอะไรที่ไหนในเรื่องของทานบุญนั้นสําเร็จประโยชน์ในบัตรนั้นเมื่อก่อนจะมายังสงสัยอยู่บ้างนะสงสัยอยู่ในปัจจุบันสงสัยอยู่เมื่อละออกไปจาก พบนี้แล้วเราจะได้รับอย่างไรเราจะได้อนิสงส์อย่างไรสิ่งนั้นผลที่จะได้รับคุ้มค่าหรือไม่ก็ยังคาแขงใจตรงนั้นแต่ยิ่งเราปฏิบัติมากยิ่งบำเพ็ญมากยิ่งจเจริญอบรมจิตมากเข้ามากเข้ามากเข้าจิต ที่รู้เนี่ยนะมันจะหมดจากความสงสัยมีคำอธิบายเพียงคำเดียวเท่านั้นจิตที่รู้ภายในจิตแล้วจะสิ้นจากความสงสัยในเรื่องของบุญทานก็เลยไม่ต้องถามถ้าเรายังถามผู้อื่นอยู่แสดงว่าเรายังสงสัย ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดยมจะรู้อานิสงส์งมีในชาติปัจจุบันและส่งผลไปสู่ในปรลโลกหน้าเพียงแต่ว่าถ้าบุญของเราเป็นบุญใหญ่อานิสงส์งที่เราทำสืบต่อผล น, นั้นจะเห็นชัดแล้วก็เราสามารถรู้ได้ ใจที่เรารู้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะนะเฉพาะบางคนทำแล้วก็ดูเหมือนมีกรรมมาบังนะก็ไม่ต้องท้อถอยในอดีตบางครั้งเราทำไม่ดีมามันก็เป็นอย่างนี้แหละขาดขาดเขินเขนมันไม่ลงตัวมันไม่พอดีสักนทะีเนี่ยมันมีอุปสรรคก็นี่แหละบุญยังไม่สง่ง ก็ดูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเธออย่าดูถูกแม้บุญอันน้อยพึงทำบ่อยๆแม้น้ำตกจากฟากฟ้าทีละหยดลงสู่ภาชนะหรือทีละหยัดเมื่อตกบ่อยๆห ย, ยดบ่อยๆเข้าภาชนะนั้นก็เต็มเห็นไหม ภาชนะนั้นก็เต็มตรงกันข้ามเธอก็อย่าประมาทว่าบาปนั้นไม่มีผลเมื่อทำบ่อยๆผลกรรมอันเผ็ดร้อนจะตามมายมเชื่อไม่ว่าคนขณะเซววิกรรมวิบากที่เป็นกุศลกรรมแม้ขณะที่ยังทำสิ่งไม่เป็นกุศลอยู่ ยังได้สวยสุขอยู่นะแต่เมื่อไหร่ภาชนะที่ใส่แล้วก็รั่วหรือแตกเอาแล้วมันจะพร่องแล้วก็หมดต่ามายืนยันว่าบุญหมดได้นะบุญเนี่ยหมดได้ไม่ใช่เต็มอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงให้เราจเจริญกุศลอยู่ กุศลสู้ประสัมปัถามันจเจริญกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลให้ถึงพร้อมอย่าให้พร่องให้หน่าใสทุกวันโยมอย่าให้มันคุณรักษาจิตให้สะอาดไว้เอาบุญเนี่ยเติมไปทุกวันวัลยหยดวันเลยหยาดวันลยหยาดวัลยหยดหย ด, ยดบ่อยๆหยาดบ่อยๆเข้าเต็ม ยกเว้นภาชนะนั้นรั่วถ้ามันรั่วมากกว่าเข้านี่มันก็ลำบากเลยฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ชาดจะต้องอุดรูรั่วเห็นไหมเรือนที่มุงไม่ดีฝนก็รั่วรดเข้าสู่เรือนได้จิตที่ป้องกันไม่ดีกิเลสตัณหา ราคามันก็ทิ่มแทงเข้าไปในจิตโดยเฉพาะความตรณีมันจะห่อหุ้มไว้นายมบางคนแม้จะกินเองก็ยังไม่กล้าที่จะกินและทรัพย์มีทำไมเขาเรียกว่าทมาหากินเราไม่รู้จักใช้ก็เหมือนไม่มีปัญญา ใครที่ยังดูถูกบุญอยู่ต่มาว่าเป็นผู้ประมาทอย่าเะนั้นทานนำใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานการไหนที่เราพึงทำได้กำลังของเราพึงทำได้ใจที่สำเร็จประโยชน์แล้วในบุญเราชนะความตรณีชิตังเม ชนะนะบางคนนั่งวัดใจอยู่นานนะทำไม่ทำานาะทาไม่ทำานาะวัดอยู่นานเท่าไรนาะทำไม่ทำานาะนั่นมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนอยู่ที่ใจในที่สุดปอปกชิตังเมธ น, นั่นแหละโยมความตรณีเนี่ยหาย จิตอันเป็นมหากุศลในการบํมเพนทานเกิดอยมดูในครั้งพุทธกาลมีชายผู้ยากจนอยู่คนหนึ่งเข้าไปในป่าก็ไปหาน้ำผึ้งก็ได้น้ำผึ้งมาในระหว่างทางน่ก็มีผู้ที่ต้องการน้ำผึ้ง ปรารถนาว่าเรายังขาดน้ำผึ้งถ้าได้น้ำผึ้งนี้ก็จะสมบูรณ์ครบก็ขอซื้อให้ราคาสูงชายคนนี้ก็สงสัยก็บอกยังไม่ขายเพิ่มราคาไปจนไม่รู้ถึงกี่ร้อยกหาปันลนะจนถึงเป็นพันกหาปันลนะไม่ยอมขาย สุดท้ายก็เลยเราขอถามท่านจะเอาไปทำอะไรจึงอยากได้นักหนาโอ้ปรากฏว่าจะไปถวายพระพุทธเจ้าถวายเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ได้จาริกมาในครั้งนั้นคนททำบุญแข่งกับพระราชานะชาวบ้านก็รวมกันทั้งหมู่บ้านเลยต่างคนต่างก็ขนขวายที่จะ สร้างกุศลเพราะรู้ว่านามบุญของเรามาโอ้โหกระตือรือร้นมากต่างคนต่างก็หากันไม่ว่าจะเป็นเข้าสารไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคหากันมาแตกขาดน้ำพึ่งพอชัยผู้ยากจนฟังฟังฟังเกิดศรัทธาบอกเราไม่ขายแต่เราจะขอร่วมด้วย โอเป็ น, นวา่าบุญนั้นสําเร็จสําเร็จมากอัศจรรย์จริงๆทําบุญครั้งเดียวบุญอะไรมันใหญ่โตขนาดเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติไม่ตกต่ําเลยไม่ว่าวันณนะฐานนะไม่ตกต่ําจนสุดท้ายยมเชื่อไหมไม่เคยได้ชื่อคําว่าไม่มีอีกเลยตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมา โอ้ธมาว่าไม่ธรรมดารู้ไหมใครสุดท้ายมาเป็นเจ้าชายอนุรุท ธ, ธะคำว่าไม่มีเนี่ยจะไม่รู้จักอีกเลยตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาเกิดเสวยในสมบัติสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติจนเข้าสู่ความเป็นพระอรหันในชาติสุดท้ายแม้ในชาตินั้นก็เป็นเจ้าชาย โอ้ไปไหนเทวดาเขาอนุโมทนาหมดเขาทำบุญจริงๆนะเขาเริ่มจากจิตที่ชนะความตรณีก่อนและจิตที่ตั้งไว้แบบศรัทธาด้วยนะมีพลังศรัทธาและบวกกับอำนาจของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพผูพท้ทรงศีลทรงธรรม เราให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้พละให้กำลังให้อาหารโอ้โหและท่านเหล่านั้นยมว่าเมื่อท่านบริโภคเสร็จทำอะไรเขาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาโอ้เรานี่ได้รับเต็มๆ เ, เลยบุญ น, นั้นสำเร็จ โยมไปนอนก็สำเร็จบุญนี้ประโยชน์ที่ทำแล้วเนี่ยสุดยอดตายเห็นเห็นเลยบุญนี่มองเห็นเลยเราทำแล้วก็เกิดปิติปราโมทท่านสัมผัสบุญได้เลยชาตินั้นตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้ยินคำว่าเราไม่มี หรือขัดสนจนบุญนี้เป็นทิพยสมบัติบุญนั้นสำเร็จเลยเขาเรียกว่าบุญยลริตสำเร็จด้วยลิษอันเป็นบุญโออา น, นิสงส์นี้เกิน เกินคุ้มอะตมาว่าท่านไม่ลำบากเลยไม่รู้จั ก, กว่าความไม่มีพปเสนวลีก็อีกองหนึ่งไม่ธรรมดาองค์นี้กันไม่ธรรมดาไปไหนกับพิสุหมใหญ่ไม่ต้องห่วงไปเถอะ ไม่ต้องเข้าเมืองนะแม้ไปในป่ายังบริบูรณ์สมบูรณ์ถ้าพระศิวรีไปเนะี่ยขนาดอยู่ในคันเนี่ยนะบรรดาลทรัพย์สมบัติในผู้เป็นมารดาบิดานี้โอ้โหไม่รู้จะพูดว่ารวยอย่างไร ทุกคนก็เพียงตั้งคันก็มีคนมาแสดงความยินดีแล้วเนี่ยคนมีบุญเห็นไหมบุญเขาส่งมาถ้าคนมีบาปอย่าลคิดดูพออยู่ในคันบ้านที่เคยสุขสบายเริ่มวุ่นวายพอเกิดมาก็วิบัติเลยฐานะเปลี่ยนทรัพย์สมบัติที่มีก็มีอันชิบหายเสียพอแม่ที่เคยสุขสบายก็เกิด มันเกิดความขัดสนขึ้นมาเลยนั่นเป็นเพราะคนนี้เขาไม่มีบุญมาเป็นผู้อัตคัดมาแล้วนะเหมือนรถไม่มีน้ำมันมาเลยนะเข็นกันเหงื่อแตกเลยโยมหนูเขาเต็มถังมาแล้วโยมจะไปไหนเขาก็ไปได้แล้วก็ถึงวัยด้วยเห็นไหม แสดงว่าบุญที่บอว่าเออสำเร็จนั่นคือประโยชน์ฉะนั้นโยมลายโยไปบําเพ็ญปฏิบัติหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนที่เขาว่าสัปปัยะสัปปัยยะนั่นคือชีวิตที่มันไปไหนแล้วมันมีความพร้อม อาหารสัพเพยะอากาศสัพเพยะสถานที่สัพเพยะธรรมะสัพเยะบุคคลสัพเยะเหมือนจัดสรรไว้เลยเอาตอมาบอกไงว่าคนมีบุญไปที่ร้อนร้อนเนี่ยพอคนนี้ไปในเมฆมามีเงามาบังให้นะร่มนะที่แรงแงแห้งแห้งเนี่ยผู้มีบุญไปเนี่ยไม่นาน ที่นั่นชุ่มชื้นสําคัญนะแต่ผู้มีบุญเขาจะไปจุดนั้นหรือไม่เท่านั้นเองอย่างพระสิวลนะีพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเลยพระสิวลีมาด้วยหรือเปล่าพิสุได้ตอบว่ามาด้วยพระเจ้าค่ะงั้นเราเดินรัดป่าไปเลยไม่ต้องกลัวยมเชื่อไหมแม้แต่ลุกขเทวดา เทพสถิตยอยู่ในตามต้นไม้ทั้งหลายนะยังต้องมาทำบุญเพราะอะไรโยมอะเพราะเขาได้ร่วมอนุโมทนากันมาตลอดเขาจะไม่ปล่อยให้พัทสิวรีนี้อัตขันขัดสนที่เขาบอกมีเทพคุ้มครองโยมถ้าเราเกิดในยุคของคนที่ถึงบุญสำเร็จด้วยบุญนะ เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเขาดูแลกันนะต่างคนต่างก็เกื้อกูลกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเหมือนคนจองเวรเห็นไหมโอ้ยเกิดชาติไหนก็จองเวรกันเจอหน้าก็โกรธกันแล้วพอเจอหน้านี้ก็จะฆ่ากันแล้วนะพอเจอหน้าก็ยิงกันเลยยังไม่ทันรู้จักว่าเธอชื่ออะไรนามสกุลอะไร บ้านอยู่ไหนทำงานอะไรมีลูกเมียหรือไม่คนดีคนเลวไม่รู้มีคำสั่งมาแล้วมีตัว๋วมีบินออกมาแล้วนั่นเป็นคู่เวรนะโยมโยมลองระลึกดูนี้โยมเจอใครบ้างบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมากับคนเหล่านี้มีแต่เรื่องมีแต่ร้ายๆไม่ใช่เรื่องดี อยู่ใกล้เท่าไรก็อันตรายเท่านั้นเห็นไหมเขามีบุญคู่กันมาเขามีเวรคู่กันมาถึงบางคนก็ชดใช้กันจังเลยบางทีโยมยังหลุดปากเลยเห็นไหมโ ย, ยมยังหลุดปากเป็นเวรเป็นกรรมของเราใช้ใชมันไปเถอะนี่ปงตกป่งตกแต่ถ้าเป็นคู่บุญแล้วเขาจะเกื้อกูล รับรองได้ ว, ว่าเราจะไม่ได้ลําบากไม่มีเขาจะเกื้อกูลเราเพราะเหตุบุเพกะตะปุญญาตาเราได้ทํามาแล้วฉะนั้นบุญสําเร็จก็คือประโยชน์ที่เราทําแล้วเนี่ยยมตั้งใจเราทําบุญแล้วเราอ่อนน้อมถ่อมตนทําบุญด้วยศรัทธาทําบุญด้วยจิตอันเป็นกุศลมีใจผ่องใส เอาเถอะเราอนุทนาสาธุเลยนี่คือเบื้องตน้นถ้ายมไม่มีอาตมาบอกดูเหมือนว่าเป็นรถที่ไม่มีน้ำมันยมคิดเองแล้วกันจะนั่งก็ไม่ไหวมันไม่ไปไหนขันจะให้ไปก็ต้องเข็นโอ้ยมันลำบากจริงๆนะคนไม่มีบารมีไปไหนมันลำบากและช้าลำบาก ฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการความลำบากโยมต้องทำให้บุญนิสําเร็จอย่างน้อยชนะคำว่าความตรณีเริ่มจากให้ทานบาทหนึ่งได้ไหมจากคนไม่เคยให้เนี่ยเอาสลึงก่อนได้เพิ่มเป็นสองสลึงสามลึงสี่สลึงทำไปดูสิทำแล้วเป็นไงเสียดายไหม อ่ะเพิ่มไปอีกฝึกได้ไม่อย่างนั้นคนนี้จะไม่รู้คำว่าการบริจาคทานเพราะความตรณีมัชชริยะมันกําใจเอาไว้ามันก็เหมือนเทาวันนะที่มันรัดต้นไม้รัดจนตายก็มีนะแล้วก็ตัวเองก็ไปแตกยอดคุมต้นที่เรานี้ได้เรื้อยขึ้นไป ชีวิตตายไปอย่างไม่มีทานเลยแต่อยู่มาใช่ไหมอาจมาถามเกิดมาทั้งชาติชีวิตตายแบบไม่มีทานน้ำไมเลยไม่มีจากคะเลยเนี่ยโอ้โหเป็นความผิดใหญ่โตมหาหันเลยลหละความผิดครั้งนี้ตนเองจะต้องไปลำบากเองฉะนั้น คนที่เข้าใจในเรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนมานถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมานมันได้ช่องเขาจะคอยทำให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวมากกว่าที่จะสร้างบุญยงสังเกต ด, ดูนะสังเกต ด, ดูยิ่งเราอยู่กับทางโลกมากๆ มันแข่งแย่งกันจนบางครั้งเนี่ยนะถึงกับทำลายพี่น้องเองก็ยังคดโกงกันนะยังเบียดเบียนกันยังเห็นแก่ตัวมากเกินอย่าว่าแต่คนอื่นนะแม้พี่น้องกันเองเนะี่ยยังเหยียบกันเองเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะไม่ต้องพูดถึง เพราะอะไรโรยม่ยมเพราะเขาถูกความตรณีครอบงำต่อมานั่นคือเบื้องต้นนะบุญสำเร็จด้วยทันนํำใหม่คำว่ามนุษย์ที่ได้อัต ภ, ภาพมาได้ในภพมนุษย์ก็ต้องมีเป็นจัดศีลใครก็ตามที่เกิดมาได้ตอนนี้นะมีศีลห้ามารองรับเอาไว้จึงมีฐานะ ความเกิดขึ้นเป็นมนุษย์อยู่ในภพที่เราเกิดอยู่ยมอมจะเข้าใจว่าสัตว์ไหนก็เลือกเกิดได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ถ้าเลือกเกิดได้ไม่มีใครหรอกที่จะไปเลือกเกิดเป็นหมูให้เขาขุนให้อ้วนแล้วก็เชื้อดนอนจมอยู่กับขุดมูดตัวเองบัวควายสัตว์น้อยใหญ่ บางสัตว์บางชนิดเกิดมาก็ถูกทารุณกลับพอถูกใช้งานเสร็จเจ็บป่วยเขาก็ไม่รักษาเขาก็ฆ่าเลยกลัวว่าจะเสียราคาเมื่อเจ็บป่วยเข้ามาก็กลัวว่าจะเป็นโรคเดี๋ยวขายไม่ออกก็รีบฆ่าเอาเนื้อก่อนแต่อย่างพวกเรานี้ต้องรักษาจนนู่นแล สุดความสามารถของวิชาที่มีอยู่มีเงินทองเท่าไหร่ก็ทุ่มเทเพื่อรักษาให้หายภูมิผิดกันเห็นไหมโยมภูมิสัตว์เข้าลำบากโยมเคยได้ยินว่าสัตว์พอตั้งคันไปฝากคันไหมหรือโยมทาก็แล้วแต่โยมนะพอเริ่มมีทองรู้สึกท้องตั้งคันโยมก็ไปฝาก สัตวแพทย์ก็สุดแล้วแต่แต่สัตว์ที่อยู่จริงๆอยู่ในป่าใหญ่นั่นชีวิตของเขาเนะ่เขาไม่มีหมอเขาต้องระวังภัยที่เกิดขึ้นทุกรอบตัวทุกรอบด้านที่มีอยู่ยมดูแค่สัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำจำนวนเท่าไหร่สัตว์เลื้คลานเท่าไหร่สัตว์ปีกอีกเท่าไหร่ในน้ำ ในดินบนดินในอากาศในที่เฉอแะแฉะโอ้โหโยมจำนวนไม่รู้เท่าไหร่เทียบกับจำนวนของประชากรทั้งโลกยังเทียบภูมิสัตว์ไม่ได้เขามากกว่าเราไม่รู้อีกเท่าไหร่ละมัลแลงไม่รู้อีกกี่กี่ล้านชนิด โยมคิดว่าเขาไม่อยากเกิดล่ะเขาอยากเกิดแต่กรรมบิบัิส่งไปตามภูมิที่เขามีฉะนั้นมนุษย์ที่ฟังทำ ม, มนุษย์ที่ปฏิบัติต่มาบอกเป็นมนุษย์ชั้นเลิศแล้วนะถ้าเรานับเกรดแล้วนะเกรดเแล้วนะเพราะมนุษย์ ที่ฟังทำรักษาศีลบําเพ็ญทานนะเป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนนี่คือความประเสริฐไม่ใช่เราไปยกตัวเองไม่ใช่ความประเสริฐของเราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแล้วถ้าเบียดเบียนอยู่ยมบอกไหมว่าคนนี้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเนี่ยมันเพิ่งฆ่าคนมาสองคนเมื่อกี้เนี่ยมันเพิ่งข่มคืนเข้ามาเนี่ยมันเพิ่งไปปล้นเข้ามา มันไปค้าผง ม, มายมจะบอกว่านี่คือมนุษย์ที่ประเสริฐไม่ได้เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วทำผิดเขาก็มีแดนกักกันอีกนะเขาไม่ให้มาอยู่ร่วมกับมนุษย์ที่มีปกติที่มีศีลโดยทั่วๆไปนะเขาจะจำกัดสถานที่แยกเอาไว้ยมนึกออกนะว่ามีที่ไหนบ้าง เขาจะจํากัดไว้แยกเอาไว้ไม่ได้ให้มาอยู่ร่วมกับเราเพราะมีเช่นนั้นคนดีจะถูกรังแกคนดีจะถูกข่มเหงคนดีจะถูกข่มขืนคนดีจะถูกทําร้ายและถูกทําลายเขาจะถูกจับได้ถูกกักขังแล้วก็กักกันเอาไว้ในที่ที่เขาได้ตีโทษเอาไว้ อย่างนั้นโยมจะเรียกได้มื่ว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าประเสริฐต้องมีศีลมีศีลมีธรรมเราอยู่แบบอหิงสาเราไม่เบียดเบียนใครเรารู้จกักจากค่บริจาคทานเรารู้จักการรักษาศีลไม่ว่าศีลข้อไหนเราก็ไม่ละเมิดโดยเฉพาะศีลห้า ทั้งหคข้อเราไม่ละเมิดถ้าใครละเมิดศีลคำว่ามนุษยสมบัติเป็นมนุษย์วิบัติโยมพิสูจน์ได้เลยโยมจะเปลี่ยนภูมิตัวเองนะจากเสวยมนุษย์สมบัติอยนีย่อีกไม่ช้าจะเป็นมนุษย์วิบัติโยมเรา เป็นนักฆ่าหรือฆ่าโยมก็คิดดูว่าการเบียดเบียนกันใครมีความสุขบ้างการเขณนฆ่ากันมีใครชอบบ้างเปล่าพรอมผิดสีนครหนึ่งปานาห้ามฆ่าสัตว์สัตว์ตมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันก็มีชีวิต ถึงจะบอกว่าไม่ผิดกฎหมายสัตว์บางชนิดก็ผิดกฎหมายแต่ขึ้นชื่อว่าศสียธละมแล้วผิดตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทำแล้วยังไม่ได้ทำนะก็ผิดแล้วหนึ่งมโนโทางใจคิดพยาบาทปองร้ายเนี่ยมันเป็นมโนทุจริตนะ นี่ผิดในมโนข้อหนึ่งแล้วฉะนั้นเราเองเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติรักษาศีลบริจาคทานเราจึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะไม่เบียดเบียนกันเห็นไหมโยมเราไม่ได้ถืออาวุธเพื่อฆ่าไม่ได้จับสัตราที่ต้องมาประหัดประหารกันเราไม่ทำแล้ว เมื่อไม่ทำอย่างนี้การอยู่ร่วมกันชีวิตเรามีความสุขครอบครัวมีความสุขประเทศชาติเรามีความสุขนี่คือสมบัติของมนุษย์เราอยู่กันอย่างมีความสุขแต่เมื่อไรโยมละเมิดศีลพอละเมิดศีลปุ๊บบ้านที่เคยนอนคืนนี้อาจจะนอนไม่ได้ ฝ่ายหนึ่งก็จะมาแก้แค้นหรือกฎหมายบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลกฎหมายเขาก็จะมาจับขัดคืนต่อสู้มีอาวุธอาจจะถูกวิสา ม, มันเข้หมโยมชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตปกติเมื่อเราอยู่ด้วยการล่าคนอื่นชีวิตเราในที่สุดก็ต้องถูกล่าเหมือนสัตว์เดรัจฉานยางเหมือน ในเมื่อเราไปคมเหงผู้อื่นเราเองก็ไม่มีความสุขนี่ความสุขคนที่เขาดูแลให้ความเป็นธรรมอยู่เขาก็จะมาเอาโทษกับบุคคลที่ไปรังแกผู้อื่นฉะนั้นถ้าโยมเป็นมนุษย์และอยากเป็นมนุษย์ต่อและเป็นมนุษย์ที่มีสุขติศีลอย่าให้ขาดพยายามนะ รักษาไว้ชีวิตเราไม่ได้ยืนยามากหรอกไม่ได้ยืนยามากหรอกอดทนนิดหนึง่งโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาเอาโดยเจ้าของเขาไม่อนุญาตนั่นคืออาการลักขโมยจะมีเทคนิคแบบไหนก็สุดแล้วแต่นะสุดท้ายก็คือเบียดเบียนทรัพย์ ของผู้อื่นเขาให้ผู้อื่นก็ต้องมาเดือดร้อนร้อนใจไม่ใช่บางคนก็หากันมาโอ้โหไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะเก็บเก็บสะสมไว้แต่อยู่ๆก็มีคนมาขู่กันโชคบ่แกล้งเอาของปลอมมาขายไม่มีคุณภาพบามาในเชิง เอาผลประโยชน์มาพูดให้เยอะแต่สุดท้ายก็คือหลอกลวงเป็นการหลอกนี่ก็คืออยู่ในข่ายของผิดศีลในข้อสองอธินาทานฉะนั้นอุบายทุกอย่างเนะี่ยเจตนาเปลี่ยนตัว ก, กรรมพระพุทธเจ้าตรัสสอนเราจะทิ้งนะเจตนาหั่งพิกเวกัมมังวดามิ เจตนานั่นแหละคือตัวกรรมกรรมนั่นแหละคือการกระทำยมปกปิดตัวเองไม่ได้ก็เพราะเราเป็นคนวางแผนเองอะ่ะยอมจะมีใบเสร็จไม่มีก็สุดแล้วแต่ยมจะบอกคุณภาพดีเยี่ยมยอดแค่ไหนก็ตามแต่เรารู้จบแล้วจิตมันรู้แล้ว ผิดอีกข้อหนึ่งโลภอยากได้ของเขานี่ก็คือในมโนธรรมอีกข้อหนึ่งอภิชาโลภเพ่งเลงอยากได้ของเขาเห็นไหมใจมันต้องผิดก่อนทุกๆเรื่องเลยฉะนั้นถ้ายมใจผิดเนี่ยถ้าขืนทำต่อพูดต่อมันจะเป็นวิบัติวิบัติแล้วพอวิบัติแล้วโอ้โห ผีซ้ำดําพลอยนะมันพลอยอะไรมาไม่รู้อ่ะมันซ้ำแบบมาในเวลานั้นเนี่ยโยมจะด้วยร้องจนไม่มีน้ําตานะทุกจนไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไมเนะีถึงขนาดนี้นะถึงขนาดนี้ทุกจนไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไม อยู่เพื่ออะไรอยู่ไปอีกทำไมมันจนถึงขนาดนั้นนะพอถึงเวลาจิตวิญญาณชีวิตเมื่อบุญของเราตรง น, นั้นมันมืดเหมือนแสงลิบลีลิบลีลิบ ล, ล, ลีจนลับแสงไปและจะมาเชื่อนวะ่าในจุดหนึ่งของทุกคนจะมีคำนี้อยูนะ่ไม่รู้อยู่ไปทำไมหรือคิดไม่ออกชีวิตจะเดินต่ออย่างไร ที่หวังไว้ก็ไม่ได้เหมือนที่หวังที่คิดไว้ก็ไม่ได้เหมือนที่คิดที่เคยเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนที่เคยเป็นที่จะเป็นมันก็ไม่เป็นอีกเอ้เอาไงดีเนี่ยมันเป็นเช่นนี้จริงๆนะฉะนั้นเราวางไว้ยิ่งเจออย่างนี้นะพยายามรักษาความเป็นมนุษย์ให้ดีนะมันล่อแหลมแล้วนะ เป็นการล่อแหลมที่จะไปสู่อบายภูมินะรู้สึกของเราจะเป็นชีวิตไปสู่ทางกันดาลแล้วนะเนี่ยมันครุขระไปหมดแล้วถ้าเป็นทางก็ทางไม่น่าไปเลยครุขระน่าดูเลยเป็นทางกันดารบ่อน้ำก็ไม่มีถ้ามีก็แห้งคอดเอา้าอย่มคิดเอาเดีฟ้าไม่มีฝน คนจะอยู่อย่างไรชีวิตไรนำใจมนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างไรบุญซ้ำกรรมซัดที่บอกนั่นแหละคือความวิบัติอะไรก็เกิดได้หมดบุญและอะไรก็เกิดได้ระวังและยิ่งศีลของเราไม่รักษาด้วยอีกล่อแหลมมากล่อแหลมนะ เหมือนกับความชั่วจะจูงจิตไปได้ได้เร็วกว่าความคิดสั้นเนี่ยมันมันง่ายมากเมื่อก่อนพวกเราคิดยาวใช่ไหมพอถึงช่วงหนึ่งมิเตจะคิดสั้นๆคิดสั้นจริงๆคิดยาวดีแล้วแต่ไม่คิดมากนะคือคิดให้มันดีซะก่อนอย่าไป ตัดอะไรง่ายๆดูก่อนพอเรายิ่งมีศีลมากขึ้นแม้จะลำบากลำบนขึ้นชื่อว่าเป็นคนเป็นมนุษย์มันต้องทนแล้วก็สุดแสนทนด้วยก็เรามาใช้ชาติไงชาติที่เกิดมานี้มันมีครามวิบาก อันเป็นอกุศลกรรมส่งผลมาให้เราชดใช้ไม่ใช่มาเสวยกรรมวิบากอันเป็นกุศลกรรมเริ่มเกิดก็เริ่มลำบากแล้วเริ่มจาความได้ก็เริ่มอดอยากแล้วอยอมคิดมีอะไรที่เป็นของรักก็จะถูกแย่งพิจนารณาดูมันตรงกันไหมทุกอย่างก็ดูเหมือนจะถูกตัดทางหมดเลยอะไรที่จะเป็นความสุข ในชีวิตของเราถูกปิดหมดเลยถูกปิดกั้นหมดเลยอะไรที่จะเป็นความเจริญได้ดูเหมือนทางมันไม่เปิดชีวิตบางคนไม่มีโอกาสเลือกอะไรเลยนะโอ้แต่บางคนนี่โอกาสรู้สึกมาถึงถึงบ้านถึงหัวบันไดบ้านถึงในห้องก็ เ, เปิดให้ขนาดนั้น แต่บางคนขนาดเดินไปข อ, อยังไม่ได้เลยไปทำแล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็ไปเจอคนไม่ดีอีกเอา้าสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครอยู่อย่างไรจะพึ่งใครในสุดเหมือนคนไม่มีที่พึ่งนั่นคือคนร่อนเร่ไปเรื่อยๆจิตเนี่ยร่อนเร่ไปเรื่อยๆจนกว่าเห็นองค์พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเราจริงเริ่มจากทานศีถ้าบางคนบอกฉันจนถามว่าทําบุญวันนี้สลึงหนึ่งทําได้ไหมบอกทําไม่ได้อย่าเกิดตมมาก็ขอประกาศเหมือนกันอย่าเกิดทําบุญสองหลึงได้ไหมวันนี้ทําไม่ได้อย่าเกิดเกิดมาทําไมเงินสลึงหนึ่งเนี่ยนะทำบุญไม่ได้ อดตายแล้วเนี่ยต้องฝึกจิตเหมือนกันวันนี้ไม่มีเงินทำบุญบาทหนึ่งทำด้วยโยมโยมไม่ทำให้ตัวเองใครจะทำตอนเป็นๆยังไม่มีใครทำให้เราเลยโยมคิดหรือว่าตอนตายเขาจะทำให้ขึ้นสวรรค์ได้แต่มาเลิกคิดนานแล้วเอาตายเห็นๆนี่แหละโยม กำมือทั้งสองพนมมือขึ้นทำทำกรรมดีไว้ไม่มีอะไรพนมมือเอาใจทำเอากายทำเอาสติปัญญาทำแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วไม่ทำผิดมันต้องมีเกิดเป็นมนุษย์สมบัติของมนุษยม์มีอย่างน้อยก็มีใจไงใจที่เจริญกุศลนะอย่าบอกว่าไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวก็เป็น รูปปั้นนะมีโยมต้องทำต้องทาไม่ทำไม่ได้ทำตามสติกำลังบารมีของเราถ้าไม่ทำาันจมาบอกเกิดมาชาติหนึ่งทานไม่มีติดตัวไปเลยมันจะจนไปขนาดไหนโยมคิดมาก็แห้งแล้งมาแล้วกันดาลกรุกขระมาแล้วชีวิตและทั้งชาติหนึ่งเนี่ยนะ สลึงหนึ่งไม่เคยทำบาทไม่เคยทำสองบาทไม่เคยทำหบาทึงบาทร0อยบาท0ันบาทจนกี่ล้านล้านก็สุดแล้วแต่ยังไม่เคยทำเนี่ยนะตายไปเนี่ยมันมีทานอะไรติดตัวไปไม่มีเสบียงไม่มีน้ำมันไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีอะไรก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีทุกอย่างวิมาณไม่ต้องพูดเลยอยู่จบแล้วถ้าศีลไม่มีไปใหญ่เลย คิดหรือว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกปิดเลยปิดภูมมนุษย์ไม่ใช่แล้วศีลเขาไม่รับรองแล้วก็หมดหมดเรียบร้อยคติหน้าก็คือสัตว์เดรัจฉานและนรกที่เป็นคติไป ฉันโยมจะตายแบบทานไม่มีศีลไม่มีคิดใหม่ยังไม่สายยังหายใจอยู่นาะที่ฟังอยู่อาจใช้ได้ยืนยันได้ว่ายังไม่ตายยังยังไม่ตายก็ยังทำดีได้ไม่มีอะไรจะจะสายสำหรับที่จะทำดีมันก็เหมือนกับสโลแกนไม่มีควาว่าสายสำหรับการที่ไยรู้ไม่มี คนที่ไฟรู้แม้ 99.9 เอายุหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไม่สายแต่งว่า99ปีเกเดือน9วันอาใช่ไปได้ไม่สายไฟรู้ไม่สายเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็รู้ว่าคติเราจะไปไหนเขาถามโยมชาตินี้บอก โยมาจากไหนบ่ฮู้อา้าวสีไปใสบ่จักอ้าวบ่ฮู้บจ่บบจกักแล้วเกิดมาทําไมบห่หันอ้าวเรียบร้อยบ่ฮู้บ่จักบ่หันแสดงว่าไม่รู้เลยมาจากพบไหนตายแล้วไปไหนที่เกิดอยู่กรรมวิบากเราชดใช้อยู่ โดยขลผลกรรมวิบากอันใดไม่มีสติที่จ ะ, ะระลึกได้จเจริญได้ไม่มีฌานไม่มียานไม่มีอะไรรู้แม้แต่อย่างเดียวเสียหายอย่างน้อยโยมถึงเรายังไม่เกิดญาณแต่เราก็จเจริญสติถึงเราไม่มีการล่วงรู้ในอดีตแต่เราได้พิจารณาในเรื่องกฎกรรมอยู่จบนั่นถือว่า เราเป็นผู้ที่มีสติไม่ประมาทก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทิน